ถำว่าสัตว์โลกนี่ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันสัตว์โลกหมายถึงผู้ที่อย่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตหรือวัฏสงสารเป็น ต่างๆที่สัตว์โลกคือดวงวิญญาณหรือดวงจิตไปเกิดกันไปเป็นกันคำว่าสัตว์นี้จึงมีความหมายกว้างกว่าคำว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะก็อาจจะ ไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาพูดถึงสัตว์โลกก็อาจจะคิดถึงสัตว์เดรัจฉานต่างๆแต่สัตว์โลกในที่นี้หมายถึงอันดวงวิญญาณทุกดวงที่ไปเกิดเป็นอะไรต่างๆเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกอย่างหนึง่งเป็นเทวดาก็เป็นสัตว์โลกอย่างหนึง่ง เป็นพรมมก็เป็นสัตว์โลกอย่างหนึง่งเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเนี่ยนี่คือที่เกิดของดวงวิญญาณที่ตายจากร่างกายไปที่แยกออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไป ดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งตามอำนาจของบุญหรือของบาปเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณจะถูกบุญหรือบาปดึงไปเกิดขึ้นอยู่กับกําลังของบุญและของบาปว่า ฝ่าย ไ, ไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลหรือถ้าบุญสูงสุดก็ไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยไปสู่พระนิพพาน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะดวงดึงดวงวิญญาณนี้ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์นรกนี่คือสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่การเวียนว่ายตายเกิด ก็เกิดจากอำนาจของโมหาอาวิชาความหลงที่ไปสร้างความอยากให้แก่ดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณคือจิตใจไปหาสิ่งต่างๆมาเซพมาสัมผัสเพื่อให้เกิดความสุข พอไม่รู้ว่าความสุขที่ที่ดีที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั้น อ, อ, อยู่ที่ไหนไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การไปเกิด เ, เป็นมนุษย์การไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่าง พอพบของมนุษย์นี้มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้เสพกันจึงมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วพอมาหาลาบยศฉลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็หาโดยวิธีที่เป็นบาปบ้างไม่เป็นบาปบ้างพอบางทีหาโดยวิธีไม่เป็นบาปไม่ได้ ก็เลยต้องหาโดยวิธีที่เป็นบาปเช่นหาเงินทองเพื่อที่จะมาใช้จ่ายซื้อความสุขต่างๆถ้าหาแบบไม่ทำบาปแล้วมันไม่พอใช้ก็มักจะต้องไปทำบาปกันเพราะการทำบาปมันทำให้การหาเงินทองนี่มันง่าย มันง่ายสะดวกรวดเร็วได้มากแต่ไม่รู้ว่าการทำบาปมีโทษตามมามีอิทธิพลต่อการไปเกิดในภพต่อไปในทางตรงกันข้ามบางคนเกิดมาแล้วก็มีความสามารถหรือโชคดี หาเงินหาทองได้มากมายกว่าที่จะใช้เองได้หมดก็เอาไปแจกใจ่ายให้ผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญการทำความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการทำบุญชนิดต่างๆให้เงินให้ทอง แก่โรงเรียนโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้รับประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญนี่แหละบุญและบาปเกิดขึ้นด้วยประการชนนี้เกิดด้วยการที่เรามีความอยาก กันความหลงทาให้เรามีความอยากมาหาความสุขในโลกนี้กันมามีร่างกาย เ, เพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แบบไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็มีอยู่หาไม่รู้กันนานๆจะพบกันขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง น, นานๆจะมีสัตว์โลก ผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่ค้นคว้าคิดคว้าหาความสุขที่ต่างจากรูปแบบที่สัตว์โลกทั่วไปหากันก็จะคน้นก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบนึน่ความสุขที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ความสุขนั้นก็คือความสุขที่นักพวกนักบวชทั้งหลายได้ค้นพบกันคือความสุขในใจในความสงบของใจอันนี้เป็นความสุขที่ลึกลับที่ไม่มีถ้าไม่มีใครสอนใครบอกจะไม่รู้กันรู้ได้แต่เฉพาะคนที่ ชอบขวนขวายชอบศึกษาค้นคว้าเพราะอาจจะเห็นว่าความสุขที่ได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายกัน ก็เลยทำให้ไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้หาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วมันจะต้องทุกข์ในบ้านปลายตอนที่ร่างกายแข็งแรงก็สามารถหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้แต่พอร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชราเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยหร เลือเข้าสู่ความตายตอนนั้นก็จะหาความสุขไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์กดดันเหยียบย่ำจิตใจผู้ทีออ่สนใจที่อยากจะหาวิธีที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็จะไปค้นคว้าหาดูถ้ามีใครรู้ก็จะไปศึกษากับเขาเช่นในยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็หาความสุขผ่านทางร่างกาย ผ่านทางลาบยศจัลเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพะเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มีเงินทองมากมายเป็นลูกของพระเจ้ากันดินก็มีทรัพย์มากมีปราสาทสามฤ ด, ดูไว้สำหรับเปลี่ยนตามฤ ด, ดูกาล ฤดูหนาวก็ไปอยู่ที่ที่ไม่หนาวมากฤดูร้อนก็ไปอยู่ที่เย็นฤดูฝนก็ไปอยู่ที่ฝนไม่ค่อยมีอันนี้ก็มีต้องมีเงินทองถึงจะสามารถมีปราสาทมีราชวงังสมัยนี้ก็คนรวยก็มีคอนโดกัน คอนโดในเมืองไว้ทำงานคอนโดนอกเมืองไว้พักผ่อนหย่อนใจมีหลายแห่งไปอยู่ตามเขาก็มีไปสัมผัสกับธรรมชาติตามเขาที่มีรีสอร์ตต่างๆบางทีก็ไปสัมผัสกับธรรมชาติทางทะเลก็ไปอยู่ตามชายหาดต่างๆ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีหาความสุขเหมือนกับสมัยพระพุทธการพระพุทธการก็มีปราศาทตสามฤดูพระพุทธเจ้าสมัยนี้เราก็มีคอนโดหลายแห่งบางทีไม่มีคอนโดที่ต่างประเทศก็มีถ้าอยากจะสัมผัสกับหิมะก็ไปสร้างซื้อคอนโดที่ประเทศที่มีหิมะเอะ ต่างชาติก็เหมือนกันอยู่เมืองหิมะเบอ่อก็บินมาซื้อคอนโดเอที่เมืองไทยซื้อตามเกาะเอเกาะสมุยเกาะภูเก็ตเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายอก็หาไปจนถึงวันที่หาไม่ได้วันที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ตอนนั้นก็มีมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่ว่าทําใจได้หรือเปล่าทําใจได้ก็ทุกข์น้อยหน่อยยอมรับกับสภาพไปแต่ก็ยังต้องทุกข์อยู่อย่างน้อยก็ต้องทุกข์กับอาการต่างๆของร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทำอะไรก็ไม่สะดวกไม่สบาย อันนี้เป็นเป็นผลเสียเป็นมุมลบของการหาความสุขทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตั้งแต่ขอทานขึ้นไปจนถึงพระราชามาหากษัตริย์พระธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีมาหาเศรษฐีก็ต้องเจอความทุกข์แบบเดียวกันความทุกข์จากการ แก่การเจ็บการตายความทุกจากการที่จะต้องพัดพากจากบุคคลและสิ่งต่างๆเอมีอะไรเดี๋ยวก็จะต้องมีการจากกันได้มีภรญญามีสามีวันดีเกินดียังไม่แก่ก็จากกันได้ตายจากกันบ้างเออทะเลาะกันจากกันบ้างเออ มีการจากกันมีการพัดพลาดจากกันสำหรับคนที่คิดไม่เป็นก็จะไม่คิดอะไรก็อยู่กับมันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของการมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากกัน ก็มีทําได้อย่างเดียวก็คือพยายามหนีมันให้ได้หรือป้องกันได้ก็พยายามป้องกันมันไม่ให้เกิดแต่ทํำยังไงมันก็หนีไม่พ้นเยังอาจจะว่าช้าหน่อยแต่ก็ต้องหนีไม่พ้นก็ต้องเจอมันอยู่ดีอย่างนั้นการมาเกิดมาหาความสุข ทางร่างกายนี้มันก็มีความทุกมาให้หาด้วยคือความทุก์ที่เกิดจากการที่คอยกาจัดสิ่งที่จะมาทำให้เราทุกข์กันเช่นความแก่ความเจ็บเห็นไหมมีการค้นคว้าหายาต่างๆหาอาหารชนิดต่างๆมาบ ำ, บำรุงบําเลอร่างกาย ให้น่างกายอยู่อย่างแข็งแรงให้ชะลอความแก่ชะลอความเจ็บหรือถ้าเวลาเจ็บก็มีอยู่ริยาที่จะมากำจัดความเจ็บให้หายไปอย่างรวดเร็วก็เป็นการต้องดิ้นลนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆของการมาเกิด คนที่ไม่ฉลาดไม่คิดก็อยู่กับมันไปก็แก้ปัญหาไปตามที่ที่คิดว่าจะแก้ได้แต่มีกลุ่มหนึ่งของคนที่คิดแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนคนอื่นคิดแก้ปัญหาด้วยการไม่มีมันดีกว่าเพราะมีแล้วมันก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อย มีอะไรก็ต้องคอยแก้พอมีแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียมีรถเดี๋ยวมันก็ต้องเสียมีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมีปราสาทเดี๋ยวก็ต้องซ่อมมีคอนโดเดี๋ยวก็ต้องซ่อมมีอะไรที่จะต้องให้มาเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆคนพวกนี้ก็มองแบบง่ายๆว่าก็ไม่มีมันเสียก็หมดเรื่อง อยากไปมีมันนี่จะทำยังไงที่ทำให้ไม่มีมันได้เหมือนคนที่เลิกยาเสพติดเนี่ยถ้าเสพแล้วมันก็ติดมันก็ต้องคอยมีอยู่เรื่อยๆพอไม่มีก็ต้องหาพอหาไม่ได้ก็ต้องทุกข์ก็เลยคิดว่ายอมทุกข์กับมันดีกว่ายอมทุกข์กับการไม่มีดีกว่าทุกข์กับการมี มีความทุกข์สองแบบทุกข์กับการมีสิ่งต่างๆกับทุกข์กับการไม่มีสิ่งต่างๆพวกหนึ่งก็คิดว่ายอมทุกข์กับการไม่มีดีกว่าไปอยู่แบบไม่มีอะไรแล้วก็พยายามหักห้ามจิตใจด้วยการทำใจให้อย่าไปคิดถึงมันพอไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ อยากได้มันก็หายทุกข์ได้พวกนี้ก็เลยไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าเพราะเบื่อกับการมีมีแล้วมันเบื่อพรามีแล้วมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะมีอะไรมีวัตถุข้าวของเงินทองก็มีปัญหามีคนก็มีปัญหาก็เลยไม่มีมันดีกว่า พวนี้ก <clarify> ็เ <Object> ป <ion> ็นพวกที่คิดมุมกลับมีมาทุกยุคทุกสมัยพวกที่ไปอยู่แบบไม่มีอะไรแม้ในยุคปัจจุบันก็มีใช่ไหคนนี่นอนข้างถนนเขาก็อยู่ข้างถนนเพราะมีบ้านมันก็ต้องคอยมีต้องมีงานทําต้องมีอะไรต้องส่งผ่อนค่าเช่าบ้านค่าอะไรต่างๆเออ แล้วทำงานก็เครียดกับงานการาก็เลยไม่เอามันดีกว่าไปอยู่แบบไม่มีบ้านดีกว่าอยูอ่ตามป่าตามเขาตามข้างท้องถนนตามใต้สะพานแล้วแต่ว่าจะอยู่กันหากันยังไงอยู่บางพวกก็ถูก บ, บังคับให้อยู่แบบนั้นเพราะตกงานหางานทำไม่ได้ไม่มีรายได้ไก็มันก็ ก็ต้องขายบ้านขายอะไรไปก็ถูกบางพวกก็ถูกบีบบังคับให้อยู่แบบนั้นบางพวกก็เลิกเลือกอยู่แบบนั้นก็มไมะบางคนก็เลือกอยู่แบบนั้นอยู่แบบจิ๊บซีพวกจิ๊บซีเขาก็อยู่แบบนั้นเขาไม่ค่อยก็ เ, เห็นว่าการตั้งโลกลากอยู่นี่มันวุ่นวายปัญหามากเรื่องมากซู้อยู่แบบจิปซีดี่ไก่ย้ายไปย้ายมา อ, อ, อยู่ตรงนี้เบื่อก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นะ อยู่ไปก็ไปตั้งแคมป์กันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นการอยู่อีกแบบหนึ่งของมนุษย์ที่มาเกิดนะเพราะแต่ละคนก็เจอปัญหาทั้งนั้นแต่ละคนก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นกษัตรนะิย์ มาอยู่อย่างสุขอย่างสบายกับพระราชทรัพย์นะอยู่กับาลาบยศสรรเสริญอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกร่างกายตอนต้นก็เพลิดเพลินดีเพราะไม่เคยเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เลยคิดว่าชีวิตคงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมีแต่ความสุขจากการหา จากการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอาหารชนิดต่างๆเครื่องดื่มชนิดต่างๆเครื่องบรรเทิงชนิดต่างๆต้องการมีบรรเทงชนิดไหนก็เรียกมาดูได้ต้องการดูการร้องลำทำเพลงฟ้อนลำดูละครดูอะไรก็สั่งให้เขามาแสดงให้ดูได้ก็เลยเพลิดเพลินไปโดยเฉพาะ ในวังนี้ก็ไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายให้เห็นด้วยเพราะพระราชบิดาห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปคืออาจจะเบื่ออาจจะกลัว และอาจจะต้องไป อ, อยู่อีกวิธีหนึ่งคือไปอยู่แบบแบบไม่มีอะไรก็ได้ก็เลยห้ามไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปอยู่ในวังเพราะพระราชบิดารู้ว่าพระเจ้าชายสิทธัตถนี้มีโอกาสที่จะไปบวชมีบารมีที่จะไปบวชได้แต่ไม่อยากให้บวช เพราะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆได้เรียกเอาโหรทั้งหลายมาทำนายว่าอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะนี้จะเป็นอย่างไรก็มีสองทางโหรทำนายกันไว้สองทางถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิ จะทำสงครามทำให้อนาจาักรใหญ่โตกว้วางขวางกว้างใหญ่ไพศาลเป็นมหาจากกักรพรรดิถ้าไม่ได้อยู่ถ้าไปบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระบมรมศาสดาอันนี้ก็เลยทำให้พระราชบิดาต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะไปบวช คนที่จะไปบวชมักจะเห็นความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นว่าอยู่ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้ก็ไปหาไปอยู่แบบที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายดีกว่าไปอยู่แบบนั่งบวชไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบ อันนี้ก็เลยห้ามไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังเพราะออกไปแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเหมือนเด็กที่เกิดมาไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสอนเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยไม่รู้ว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เพราไม่เห็นตัวอย่างแต่ความอยากรู้อยากเห็นว่าโลกภายนอกพระราชวังเป็นยังไงถึงแม้จะถูกห้ามถูกสั่งไม่ให้ไปก็ความอยากนี้มันก็ทำให้มันดิ้นหาทางไปจนได้ก็เลยแอบออกไปแอบไปกับมหาดเล็กให้มหาดเล็ก พาไปอาจจะปลอมตัวออกไปก็ได้เหมือนเรามักจะเคยได้ยินข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินบางทีก็อยู่ในวังก็เบื่อบางทีก็ปลอมตัวออกมามาดอนเที่ยวแถวพัดพงแถวอยากจะรู้ว่าโลกภายนอกวังเขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็แบบเดียวกันความอยากของคนความอยากรู้อยากเห็นทำให้ คนที่อยู่ในวังก็เหมือนคนติดคุกดีนีนี่แต่แม้ว่าจะเป็นกรงทองแต่มันก็มันก็ยังทำให้เกิดอาการอึดอัดอาการอะไรอยู่ก็เลยต้องแอบหนีออกมาเที่ยวนอกวังหรอพอออกมาก็เลยเห็นของดีเขาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ล้วก็รู้แล้วว่าต่อไปนี้ร่างกายของตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอพอรู้แล้วเห็นสภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายว่ามันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เกิดความวิตกว่าอนาคตของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสียแล้วอนาคตของเรานี่มีแต่กองทุกข์รอเราอยู่ แล้วก็บังเอิญไปเห็นนักบวชเข้าก็เลยรู้ว่าเป็นพวกที่ไปหาวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีที่ไม่ต้องมีอะไรถึงแม้ต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็อยู่แบบไม่ทุกข์ได้เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็น วิธีหาความสุขอันนี้ก็เลยทำให้พระองค์เกิดทางเลือกขึ้นมาก็ทรงเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาความปรารถนาที่อยากจะไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็รอโอกาสอันเหมาะก็พอดีมีกาพระมเหสี จะทอดทอดลูกออกมาเพราก็เลยต้องรู้ว่านี่เป็นเป็นจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ดีหรือจะไปดีถ้าอยู่ก็คงจะไปไม่ได้เพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกนะถ้าจะไปก็ต้องไปงวันนั้นคืนนั้นเลยก็เลยตัดสินหนีออกจากวังไปในคืนนั้น ไปตอนดึกๆตอนที่คนก็นอนหลับกันแนละ้วเพราะถ้ามีใครรู้แล้วก็คงจะไปไม่ได้ไปเหมือนกับนักโทษหนีออกจากคุกถ้าไปแบบที่มีคนรู้นี่เดี๋ยวก็ไปบอกพ่อเพอเดี๋ยวพ่อก็สั่งเอาทหารมาจับตัวกลับไปอยู่ในวังก็เลยต้องหนีออกไปในยามวิการ มีคนสนิทพาไปมหาเล็กสนิทพาไปพาไปถึงชายแดนนั่งม้าไปขี่ม้าไปพอถึงชายแดนก็ให้มหาเล็กเอาม้ากลับหวังไปเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้มา้าแล้วไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบนักบวชใช่ไหมก่อนนักบวชเขาก็อยู่แบบขอทานดีๆนี่เพราะไม่ค่อยมีคนศรัทธากับพวกนักบวชเท่าไหร่ พระนักบวชสมัยนั้นเขาไม่ค่อยสอนใครเพราะเขาไม่รู้เขาไม่มีความรู้ที่จะสอนเขาก็ยังอยู่ในขั้นแบบขั้นค้นคว้าศึกษาทดลองผิดทดลองถูกอยู่จึงไม่มีความสามารถที่จะเอาอะไรไปสอนใครได้ชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาอะไรมากมายสงสารมากกว่าเห็นมาขอทานก็ มีอาหารอะไรก็ให้ไปไม่ได้เหมือนสมัยนี้เบิดพระที่เราไปบินธบะนี้อันนี้ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพแต่สมัยที่พุทธเจ้าบวชนี้เขาให้แบบขอทานจริงๆพระพุทธเจ้าก็อยู่แบบขอทานจริง ๆ, ๆพ อ, องเดินไประยะหนึ่งก็ไปสวนไปเจอขอทาน ขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระพุทธเจ้าใส่ออกจากวันก็อยากได้พระพุทธเจ้าก็เห็นเสื้อผ้าของขอทานก็เหมาะดีเหมือนกันเพราะจะได้ไม่มีใครรู้ว่าม า, มาจากที่ไหน <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันขอทานก็เอาชุดของเจ้าชายสิทธัตถะไปเจ้าชายสิทธัตถะก็เอาชุดขอทานมาใส่นี่แหละคือความเด็ดเดี่ยวของ ผู้ที่จะต้องการที่จะค้นหาความความสุขที่แท้จริงค้นหาสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงนี่มันอยู่ที่ตรงไหนกันน ะ, ะก็รู้ว่าการมีอะไรนี่มันเป็นทุกมีชุดของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเดี๋ยวก็เป็นทุกได้เดี๋ยวจรผู้ร้ายเห็นก็อาจจะมาป้อนมาจี้ก็ได้ก็เลยอพอดีมีขอทานมาก็ขอเปลี่ยนกัน เดี๋ยวขอทานดีไม่ดีใส่ชุดนั้นอาจจะไปถูกจี้ก็ได้เพราะคิดว่ามีเงินมีใส่แต่งตัวดีนี่พระพุทธเจ้าก็เอาชุดขอทานมาใส่ปลอดภัยกว่าไม่มีโจรผู้ร้ายที่จะคิดมาป้นมาจี้มีอะไรดีแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรที่มีค่าแล้วมันจะทุกข์มีภัยตามมาเพราะคน ก็อยากได้กันมีอะไรที่ดีก็มีคนอยากจะได้กันคนที่ไม่มีก็อยากจะได้คนที่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อก็ต้องไปป่อนไปจี้ไปเอาของของคนอื่นมาเพรนั้นการมีของมีค่าก็เป็นอันตรายก็เลยไม่มีดีกว่าเนี่ยนี่แหละคือความคิดของพระพุทธเจ้า คิดว่าต่อไปนี้จะไม่มีอะไรจะอยู่กับแบบไม่มีอะไรจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเพราะมีอะไรแล้วมันจะต้องหวงต้องหวงต้องกังวลถึงไปอยู่แบบไม่มีอยู่แบบขอทานแล้วก็ไปศึกษาวิธีหาความสุขทางใจซึ่งพระองค์ก็เคยได้สัมผัสมาบ้าง ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กมีวันหนึ่งท่านเคยอยู่ประทับอยู่ตามลําพังวันนั้นมีงานอะไรไม่ทราบงานแรกานาขวัญมั้งมีพวกบริสารธ์บริวารต้องไปช่วยงานเลยปล่อยให้พระ อ, องค์นั่งประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามลําพังพออยู่ตามลําพังอยู่ที่วิเวกที่สงบจิตของพระ อ, องค์ในอดีตเคย มีความสงบมาก่อนค่อยฝึกนั่งสมาธิมาก่อนพอจิตอยู่ในสภาพที่สงบมันก็เลยเข้าไปสู่ความสงบโดยอัตโนมัตโมิโดยธรรมชาติของมันการที่จิตของพวกเราไม่เข้าข้างไหนก็เพราะเรามีอะไรดูดออกอยู่เรื่อยๆมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีขนมนมเนยมีกาแฟมีภาพยนตร์มีอะไร คอยดูดใจเราออกข้างนอกมันเลยไม่เข้าข้างใน <Yeah. S 1> แล้วนอกจากดูดแล้วยังมีตัวดันด้วยตัวดันก็คือตัวกิเลสตัณหาความอยากต่างๆถึงแม้เราไปอยู่ที่สงบมันก็ไม่เข้าข้างในเพราะเรามีตัวคอยดันออกอยู่ถึงแม่ไม่มีตัวดูดก็มีตัวดันแต่พระพุทธเจา้านี้ตัวดันไม่ค่อยมีมีแต่ตัวดูด <Yeah. S 1> เพราะท่านบาเพ็ญบารามีมามาก ท่านกำจัดหรือท่านลดละตัวดันไว้ให้มีน้อยมากคือตันหาความอยากต่างๆถ้ามีมากท่านต้องท่านสละล่าสมบัติไม่ได้หรอกความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยนะี่ท่านกำจัดมันมาหลายพบหลายชาตินะแต่ไม่มีตัวที่จะคอยดันให้จิตของท่านออกมีแต่ตัวดูดมีบริษัทบ ร, ริวารมีมี นางสนมกำอะไรต่างๆมาคอยดึงดูดจิตใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอวันหนึ่งไม่มีใครมาดูดปล่อยให้นั่งอยู่เฉยๆคนเดียวจิตมันก็กลับเข้าข้างในทันทีท่องเลยได้สัมผัสกับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงมบ อ, อันนี้เลยทำให้พระองค์รู้ว่ามี วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือหาความสงบหาความสุขจากการสงบแล้วสังเกตว่าเวลามันสงบนี้ต้องไม่มีอะไรภายนอกเลยต้องอยู่แบบเดียวดายโดดเดียวเดียวดายพรองค์ก็เลยมีบาบมีบาลมีเก่าเคยได้สัมผัสกับความสงบมาก่อนจึงรู้ว่า การสละราชสมบัตินี้ไม่ได้เป็นการสูญเสียอะไรเป็นเพียงแต่การแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความสุขที่ไม่แน่นอนไปกับความสุขที่แน่นอนความสุขที่มีอยู่ในตัวเองความสุขที่ไม่มีใครมาแย่งเอาไปได้จึงทำให้พระองค์สละราชสมบัติได้ สมัยนี้มีเจ้าชายมีกษัตริย์เยอะแยะมีคนไหนออกบวชได้ี่ยมีข่าวไหมว่ามีคนนั้นคนนี้เจ้าชายองค์นั้นองค์นี้ออกบวชไม่มีหรอกเพราะไม่มีบารมีเก่ามาแต่ถ้ามีบารมีเก่าก็ไม่แน่ก็มีได้ข่าวลูกเศรษฐีบางคนเนี่ยไปบวชกันมีอยู่มีลูกเศรษฐีของมาเลเซียคนนึงเป็นลูกขึ้นไทยมาเลยม ก็มาบวชกับนลวงปู่ชามาบวชสายวัดตลงปู่ชาพวกนี้ก็ต้องมีบารมีเก่าเขาต้องมีความสุขจากความสงบมาก่อนเขาถึงรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาหาอะไรเขาจึงไม่เสียดายกับความสุขที่เขามีอยู่เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ ห้อมล้อมอยู่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนความสุขก็มีเนี่ยคนที่น่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ไปบวชกันหรือไปอยู่แบบเ อ, อ่ออยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบคนนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรอยู่แบบสงบน ถึงแม้ไม่ได้บวชก็มีอันนี้เป็นพวกที่เคยมีบารมีเก่าชาติก่อนอาจจะเคยไปฝึกสมาธิจากสำนักไหนสำนักหนึ่งมาก่อนแล้วมันฝังอยู่ในใจนะพอม า, มาเจอกับความสุขที่วุ่นวายใจก็เบื่อก็โหยหาความสุขที่ไม่รุ่นวายใจก็พบว่า ต้องอยู่แบบเรียบง่ายสมถะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายมีเท่าที่จำเป็นมีแค่ปัจจัยสี่ถ้ามีอะไรมากแล้วมันวุ่นวายมันต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยวิตกคอยกังวลคอยหวงคอยห่วงตรงนี้จะเห็นภัยของการมีทรัพย์สมบัติมี สิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโวกนี้เขาจะเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับมีการพัดทากจากกัน เวลาเกิดการพัดผ่าจากกันก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจก็เลยหัดอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจมีแฟนเดี๋ยวก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับแฟนมีลูกมีเต้าเดี๋ยวก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับลูกเต้ามีทรัพย์สมบัติเดี๋ยวก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับทรัพย์สมบัติะ ก็อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่านี่ก็เรื่องของของการที่จะทำให้ผู้ที่เป็นสัตว์โลกที่ติดอยู่ในภพต่างๆนี้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิด เห็นว่าการเกิดนี่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเกิดแล้วเดี๋ยวจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนก็จะต้องมีความตายตามมาบางภพอาจจะไม่มีความแก่เช่นพวกภพของที่ไม่มีร่างกายนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บมีแต่เกิดแล้วก็ตายพวกเทวดานี่พอบุญ บุญหมดก็ตกจากสวรรค์ลงมาทันทีมารอเกิดเป็นมนุษย์ทันทีพวกที่ไปตกนรกไปอยู่ในอบายพะบาปหมดก็ผุดขึ้นมารอเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่พวกที่มีร่างกายคือมนุษย์น่ะเดรัจฉานเนี่ยพวกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องต้องตายต้องแก่ด้วยต้องเจ็บด้วย นี่คือเรื่องของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดกันก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะเล่นลอดออกจากวัฏสงสารโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแบ่งไว้สามสามโลกด้วยกันเรียกว่าสามพสามพบปลพบพบของผู้ที่เสพการเรียกว่ากามมาพบ พของผู้ที่ไม่เสพการคือพบของผู้ที่เสพความสงบคือสมาธิในระดับรูปฌปานก็เรียกว่ารูปภพผู้ที่เสพความสงบในระดับอรูปฌานก็เรียกว่าอารูปภพนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนจะไปอยู่ที่ บุญที่ทําไว้หรือบาป ท, ที่ทำอาไว้ถ้าทาบาปก็จะไปเกิดในอบายที่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมมพภพถ้าทาบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังอยู่ในกามาภพอยู่แต่กามาภพนี้แบ่งเป็นสองซีกซีกที่มีความสุขกับซีกที่มีความทุกข์ ผู้ที่ไปเกิดในอบายนี้เป็นพวกที่ทำบาปมีความทุกข์ต้องไปไปรับทุกจากการทำบาปส่วนพวกที่ไม่ทำบาปทำแต่บุญพวกนี้ก็จะไปอยู่ในภพของเทวดาอยู่ในการมาพบเหมือนกันแต่อยู่ในสิ่ของภพที่มีความสุขคือภพของเทวดา โลนี้ไม่มีร่างกายเป็นกายทิพย์ทั้งนั้นเป็นดวงวิญญาณที่มีบุญเป็นผู้ให้ความสุขถ้าอยู่อาบายก็เป็นดวงวิญญาณที่บาปผลิตความทุกข์ให้เสร็จส่วนพวกที่ไปบวชไปถือศีลไปบวชไปฝึกนั่งสมาธิถ้านั่ง ได้สมาธิในระดับรูปฌานก็เวลาตายไปก็จะไปอยู่ในรูปประพบเรียกว่าสวรรค์ชั้นพรมเรียกว่ารูปประพรมพรมนี้มีสองระดับพรมที่มีรูปกับพรมที่ไม่มีรูปรูปประพรมกับรูปประพรมพวกที่ได้ไดฌานรูปฌานก็จะไปเกิดในรูปประพบพวกที่ได้อารูปฌานก็จะไปเกิดใน อรูปภพนะแต่ภพเหล่านี้ก็มีวันเส่อมมีวันหมดนะพอบุญที่ส่งไปหมดกําลังก็จะตกลงมาตกจากอารูปภพมาสู่รูปภพจากรูปภพก็ลงมาสู่เทวภพรือลงมาสู่มนุษยภพมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปยังไงยังไงก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ภพของมนุษย์ใหม่ เพราะพบของมนุษย์เป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างบาปกันพบอื่นๆไม่ใช่เป็นที่สร้างบุญสร้างบาปเป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปนะแล้วก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้จนกว่าจะมีคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าที่มาศึกษาค้นคว้าหาเหตุว่าทำไมถึงต้องมาเกิดกันก็จะค้นพบว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดกันก็เพราะอาวิชชาความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่ไม่มีความทุกนี้เป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าความสุขที่ ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้อย่างถาวรก็ต้องกำจัดความอยากต่างๆเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากสามประการคือกามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากรูปหล่ออยากมีแฟนมากๆอยากได้อะไรมากๆอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาเช่นไม่ไม่อยากสูญเสียเงินทองไม่อยากเสียความเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากสูญเสียร่างกาย อันนี้ก็เรียกว่าวิภวตันหาความอยากสามนี่แหละที่พระเจ้าทรงคนพบว่าเป็นตัวที่ทำให้ต้องมาเกิดอยู่ได้เรื่อยอวิชชาไม่รู้ไงว่าเหตุที่พาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือกามตัญหาภวตันหาวิภวตันหาพอศึกษาค้นคว้าก็ได้พบว่า เหตุที่ทำให้สัตว์โลกมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือการมักตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันนี้ก็เลยกลายเป็นวิชาขึ้นมาพอมีวิชามันก็จะไปลบเอาวิชาเอาวิชามันจะสั่งให้จิตไปหาน่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสวิชาสั่งว่าให้หยุดห า, าให้หยุดหา ให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบเออันนี้ก็เลยรู้จักวิธีว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเกิดแล้วทําอย่างไรก็คืออย่าไปอยากกับอะไรอย่าไปอยากกับลูกเสียงกลิ่นลดผลถ้าพ้อย่าไปอยากได้ลาบยศจัรเสริญสุขอย่าไปอยากสูญเสียลาบยศจัรเสริญสุข เพราะมันเมื no you want, you to to you want, you ่อได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียไม่มีอะไรถาวรเป็นของชั่วคราวถ้าอยากแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปหาใหม่พอเสียแล้วมันก็ต้องไปหาใหม่พอเสียเงินเงินทองหมดเดี๋ยวก็ต้องไปหาเงินทองใหม่แฟนจากไปเดี๋ยวก็ต้องไปหาแฟนใหม่ไม่มีวันเข็ดไม่มีวันไม่มีวันกลัวความทุกข์ กลัวความทุกจากการไม่มีมากกว่ากลัวความทุกจากการมีความทุกจากการไม่มีนี่มันทรมานใจมากกว่าความทุกขจากการมีมีแฟนนี่ถึงแม้จะทุกข์กับแฟนมันก็น้อยกว่าเวลาที่ต้องไม่มีแฟนอยู่แบบไม่มีแฟนเลยต้องไปหาแฟนกันต้องไปหาเงินกันต้องไปหาอะไรกันนอกจากพวกนักบวชนี่เขารู้จักวิธี ที่จะอยู่แบบไม่ทุกข์กับการไม่มีอะไรก็คืออยู่ด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยากนั่นเองถ้าสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้อยู่กับการไม่มีก็ไม่ทุกข์เพราะเวลามันอยากก็หยุดมันพอหยุดมันความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ แต่ถ้ามาแก้ด้วยวิธีมาหยุดความอยากได้เสียก็หมดเรื่องอพอไม่มีความอยากได้ก็ไม่ทุกข์กับการไม่มีอะไระนี่คือวิธีของพวกนักบวชนักบวชเขาแก้ปัญหาด้วยการมาแก้ที่ใจพวกอื่นนี้พวกเรานี้มาแก้ปัญหาด้วยการไปแก้ที่ของที่เราอยากได้อพอเราทุกข์กับของนั้นเราก็ต้องไปหามาให้ได้ ทุกข์กับอยากจะได้รถก็ต้องไปหารถมาให้ได้เพราะเวลาได้รถมาแล้วมันหายทุกข์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มาทุกข์กับรถอีกโดยไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ทุกข์แบบไม่รุนแรงเหมือนกับทุกข์กับตอนที่ไม่มีรถมันก็ลยิยนดีที่จะทุกข์กับสิ่งที่มีดีกว่าทุกข์กับกากับสิ่งที่ไม่มีแต่พอเรามาพบกับพระพุทธเจ้าเจอพบกับพระสง์องค์เจ้าท่านบอกว่า มีวิธีที่จะไม่ทุกข์กับการไม่มีเวลาไม่มีแล้วทุกข์ก็ใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดมันหยุดมันฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาพอมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับการที่ไม่มีอะไรอะพออยากได้อะไรปัญญาก็บอกว่าได้มาแล้วมันทุกขกว่าการไม่มีนะ ตอนนี้เรารู้จักอยู่แบบไม่ทุกข์กับการไม่มีก็คืออยู่กับความสงบพออยากได้พอได้มาแล้วเทนี้ใจจะไม่สงบนะ้นะใจจะต้องอวุ่นวายกับของที่เราได้มาอะนนี่คือปัญญาสอนให้เห็นว่าความจริงว่าเห็นให้เห็นความจริงว่าการไม่มีนี่ไม่ทุกข์นะการมีนี่ทุกข์ เพราะการไม่มีนี่เรารู้จักวิธีทำให้ไม่ทุกได้ก็คือทำใจให้สงบอยู่กับความสงบใจก็ไม่ทุกข์กับการไม่มีอะไรแต่พออยากได้อะไรขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าไปได้มาก็จะทุกข์ต่อไปเพราะเมื่อได้ของมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการหึงหวงทุกข์กับความห่วงใยทุกข์ไปตลอด จนถึงเวลาพัดพากจากกันก็ทุกข์กับความเศร้าโศกเสียใจอีกอันนี้คือปัญญาที่จะสอนให้ใจ น, นี้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเวลาใจอยากอะไรก็ไปทําใจให้สงบนะพุทโธพุทโธนั่งสมาธิไปเผนความอยากไปต่อไปความอยากมันจะ ไม่กลับมาถ้าเราฝืนมันถ้าเราฝืนมันถ้าเรามีกาลังมากกว่ามันต่อไปมันจะไม่มารบกวนใจเราเพราะมันรบกวนเราไม่ได้ทุกครั้งที่มันมาเราก็ตัดมันไปได้ดับมันได้หยุดมันได้มันก็เลยต่อไปมันก็เลยไม่มาเมื่อความอยากไม่มีมาก็ไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ดวงวิญญาณของสัตว์โลก ไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปหาราบยศสรรเสริญก็จะไม่มีการมาเกิดอีกต่อไปก็จะไปอยู่ที่นิพพานนิพพานคือเขตที่อยู่นอกนอกขอบของของวัฏฏะสงสารนั่นเองอยู่โล ก, กุตตะ อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเข้ามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเปรียบเทียบโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกับวงเวียนใหญ่เนี่ยวงเวียนอนุชาอนุชาสาวลีเนี่ยรถก็วิ่งไปวนไปอย่างนั้นรถที่ไม่วิ่งเข้าไปในวงเวียนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปวนแต่ถ้าเข้าไปในวงวงเวียนแล้มันก็ต้องวน แต่อย่างน้นวงเวียนก็ยังมีทางออกให้แต่วัฏตาสงสารนี่ไม่มีทางออกมีก็ต้องรอให้คนฉลาดมาชี้บอกทางออกจา ก, จากวัฏตาสงสารก็คือการหยุดความอยากทั้งสามนี่เองหยุดกามาตนะหาหยุดภาวะตันหาหยุดวิภาวะตันหานละการที่จะหยุดได้ก็ต้องไปอยู่แบบนัก บ, บวช ทำทานละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดเนี่ยเพราะมีทรัพย์แล้วก็จะต้องมาวิตกกังวลมาติดกับทรัพย์ก็จะออกไปไม่ได้ต้องไปอยู่แบบไม่มีทรัพย์ไม่มีลาบยศสารเสริญไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยา ไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆมีแต่ตัวมีแต่ร่างกายอันเดียวแล้วก็อัตะบริขารเครื่องหากินหาอยู่ของนักบวชก็มีปัจจัยสี่เล็กๆน้อยๆมีเสื้อผ้าสองสามชุดมีวิธีหากินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะหากันอยู่แบบนั้นแล้วก็มาคอยทำใจให้สงบ คอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงคน้งคนพบทางออกจากวัฏสงสารโลกของการเวียนว่าตายเกิดโลกของตายพบด้วยการสอนให้พวกเรามาทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบก็มีสองระดับระดับชั่วขาวด้วยสติง่ายกว่าระดับถาวรด้วยปัญญา ขั้นตอนก็เลยมาทำแบบง่ายก่อนใช้สติกำกับใจหยุดความคิดความอยากชั่วคราวใจก็จะสงบมีความสุขชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาเหนียวใจก็เกิดความอยากขึ้นมาต้องใช้ปัญญาถึงจะกำจัดความอยากได้ต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มีแต่จะจะมีความทุกข์ ตามมาด้วยไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียวอยากได้อะไรได้มาใหม่ๆก็สุขต่อไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องหมดมันจะต้องหายจากเราไปหรือถ้ายังไม่หายก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาอืไม่ใช่จะมีความสุขอย่างเดียวสู้ไม่มีดีกว่า อ, อันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจยอยากได้เป็นทุกข์ และวิธีที่จะทำให้ไม่อยากได้ก็คือเนี่ยมันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราควบคุมบังครับแต่ไม่ได้ทุกเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปจากน่าดูจะกลายเป็นของไม่น่าดูต่อไปใหม่ๆก็น่าตาจุม๋มจิ๋มพอเก่าก็กลายเป็นสนิมขึ้นมา อนนี้ต้องพิจารณาอสุภะด้วยถ้าไปชอบร่างกายหน้าตาของคนก็ต้องพิจารณาเวลาที่น่างกายหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไม่น่าดูอะนนี้คือวิธีการต่างๆที่จะทำให้เกิดปัญญาที่จะทำให้หยุดความอยากนะจะทำให้ไม่อยากไม่ใช่หยุดความอยากจะให้เปลี่ยนใจจากอยากมาเป็นไม่อยาก ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราจะเดิมนี้ดื่มไปเรื่อยๆต่อไปจะต้องเป็นมะเร็งนี้เราจะดื่มไหมเราก็ไม่ดื่มอันนี้บางทีเครื่องดื่มบางชนิดเขาไปวิจัยทีหลังเขาพบว่ามีสารที่จะทำให้เกิดมะเร็งพอเขามาประกาศบอกภาพสินค้าเครื่องดื่มนั้นก็ขายไม่ออกต้องหยุดขายเพราะพอคนรู้ว่าดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งนี้ก็ไม่ดื่มดีกว่า อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มานี่จะทําให้เราเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเราก็จะไม่อยากได้กันความทุกข์นี่แหละก็คือมะเร็งของใจตัวที่จะมาเป็นโรคมะเร็งให้กับใจก็คือเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ความอยากนี่แหละทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาในใจเรา พอเราหยุดความอยากได้โลกมะเร็งก็หายไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอนี้คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามีโชคมีวาสนาได้มาพบปะ ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอยากจากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องศึกษาคำสอนให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาอย่างท่องแท้อย่างถูกต้องการปฏิบัติก็จะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุ ป, ปฏิปันโน พอเป็นสุปฏิปันโนมันก็จะเป็นมันก็จะได้ผลคือได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาได้เป็นบุคคลที่เรียกว่าอริยบุคคลขึ้นมาเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดจากการศึกษาอย่างถูกต้องท่านนี้คือสิ่งที่เราต้องทำพระพุทธศาสนาทาให้เราไม่ได้ เพียงแต่บอกเราเท่านั้นว่าเราจะ ต, ต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะจะทำแบบพอหอมปากหอมคอไม่ได้งานนี้เป็นงานที่จะต้องทำแบบเต็มร้อย ถ้าทำแบบงานนาดิเลกนี้จะไม่ได้ผลมากจะเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าอยากจะหลุดพ้นจะต้องทำอย่างเต็มร้อยจะต้องไปทำแบบนักบวชอยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชถึงจะสามารถที่จะได้ผลอย่างเต็มร้อยอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาหาปุราปะเรปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปติอิจ e ิตังปฏิตางตุมหังกิปเมวะสมิจตโตสัพเพปุเรนตุส um ังกปา จันโทปนะหราโยถามณิโชติหราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะาภิวาตนาสีลิศนิจจังวุฒา จจัยโนจ ต, ตาโรโธรรมะวะทานติอายุวนโนสุขังภาลาัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันันี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา421 YouTube 162วิทยุออนไลน์20 รับฟังข้างบนเขาห้าสิบสามคนรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบหกครับ ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ามีส่งไปส่งใหม่ไปกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ได้ฟังเทศพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจากอินสีห้าเป็นพระห้าแล้วก็ไปคน้นคว้าก็อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะขอ อนุญาตพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายคะ่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็เป็นคําเดียวกันหมดเลยทั้งห้าคำมันเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่ไง อ, อินทรีย์มันมีระดับเด็กกับระดับผู้ใหญ่อินทรีย์ระดับปุตุชนกับอินทรีย์ระดับป้าอริย์มันไม่เท่ากันกําลังมันไม่เท่ากันรถเหมือนกับรถที่รถเทอร์โบกับรถไม่ติดเทอร์โบเนี้ย เข้าใจไหมถ้าอยากให้รถมันมีพลังมากก็ต้องไปติดเทอร์โบนี่จะ ต, ติดเทอร์โบก็ต้องอปฏิบัติให้มากขึ้นอศรัทธาต้องมีมากขึ้นเช่นศรัทธาของพุทุชนก็ระดับหนึ่งศรัทธาของผู้ที่ปฏิบัติที่ก็อีกระดับหนึ่งศรัทธาพุทุชนก็ อาจจะทำบุญพอตามการตามเวลารักษาศีลตามการตามเวลาแต่ผู้ที่ปฏิบัติในศรัท ธ, ธาจะเต็มร้อยเขาก็จะแบบทุ่มเทจะทำบุญตลอดเวลาจะรักษาศีลตลอดเวลานี่ต่างกันนี่คือก็พูดแบบมือสมัครเล่นกับมืออาชีพก็แล้วกันเข้าใจไหม คนตีก็สมัครเล่นกับคนตีก็มืออาชีพนี้มันไม่เหมือนกันอืความสามารถไม่เท่ากันการฝึกซ้อมไม่เท่ากันออืการที่เราจะทําให้อินทรีย์ให้เป็นพร ะ, ระเราก็ต้องทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นเอเดี๋ยวมันก็จะเป็นพร ะ, ระขึ้นมาอืกลับขอบคุณค่ะพระอาจารย์ออ ถ้าเป็นมือสมัครเล่นมันก็ไปแข่งแอเช่นเกมตอนนี้ไม่ได้ก่อนจะคาดคนไปแข่งแอเช่นเกมนียก็ต้องดูก่อนว่ามีพลังสู้เขาได้หรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะไปแข่งกับเขาได้หรือเปล่าอพวกที่จะไปสู้เขาก็ต้องฝึกฝนต้องอสร้างพลังขึ้นมาก็เหมือนกันปาราห้าก็เป็น เราก็มีแบบทั่วๆไปแบบพอที่จะทรมาหากินอยู่ตามภาษาของมนุษย์ได้แต่จะอยู่แบบพระอริยะแบบพระปฏิบัตินี้อยู่ไม่ได้เพราะพลังเรามีน้อยเราก็ต้องเสริมพลังศรัทธาก็ต้องศึกษาธรรมะให้มากยิ่งศึกษามากก็จะเย็นยิ่งเห็นคุณค่าของธรรมะก็ยิ่งยิ่งอยากจะปฏิบัติประหยกัก็จะเพิ่มความเพียรได้ เพิ่มเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิปัญญาได้ทั้งหมดอยู่ที่ศรัทธาเป็นต้นศรัทธาก็อยู่ที่การได้ยินได้ฟังคุณค่าของการปฏิบัติว่ามีคุณค่าอย่างไรก็ต้องไปศึกษากับผู้ที่จะให้กำลังใจกับเราให้ศรัทธากับเรา คนใหญ่ก็ต้องไปศึกษากับมือโปรใช่ไหมเราอยากจะตีกอล์ฟก็ต้องหาอาจารย์มือโปรมาสอนอยากจะเล่นเทนนิสก็ต้องหาอาจารย์มือโปรมาสอนเพราะเขารู้มากกว่าคนมือธรรมด า, าเวลาไปฟังเทศฟังธรรมก็มักจะไปหาพระที่เป็นพระที่มือโปรถ้าพระมือสมัครเล่นฟังแล้วก็ไม่เกิดศรัทธาแตฟังจากพระมือโปรแล้ว ก็จัดทาอยากจะบวชทันทีทันใดต่างกันตรงนั้นถามว่าถามยกมือขึ้นนะบอกได้นะอ่ะอะอาออกไปครับคำถามนะครับขอกราบเรียนถามปฏิบัติผ่านความทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดทุกขเวทนาหายไป ปัจจุบันนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ได้หลับเจ้าค่ะจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็นั่งไปนานๆเลยนั่งไปจนมันเจ็บก็ผ่านความเจ็บไปอีกนะต้องผ่านมันบ่อยๆผ่านจนชนานาญไม่ใช่ผ่านวันเดียวแล้วก็จบต้องผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่กลัวความเจ็บถือว่าความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา ครับนมักการพระอาจารย์เจ้าคะเวลาปฏิบัติจะมีลมข้างในตัวแรงมากเหมือนตัวลอยต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค ะ, ะไม่ต้องไปสนใจ ม, นมันเป็นอาการมายาเป็นอาการตุ้งแต่งของจิตหลอกเราให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไป อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้จะเสียสมาธิจะเสียสติจะขาดสติแล้วจะไม่ได้ผลคำถามจากคุณสุพชัยกราบมัรมสการหลวงพ่อเนื่องด้วยกระผมมีปัญหาสงสัยในการนั่งภาวนาครับโดยผมนั่งสมาธิ ฟังเทศของหลวงปู่มหาบัวพอผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีปรากฏว่าการบริกรรมพุทโธ ท, ที่กำหนดหายไปแต่หูยังได้ยินเทศของหลวงปู่อยู่ครับผมสงสัยว่าอาการเป็นอาการง่วงนอนหรือไม่ครับเป็นตลอดเลยครับทำอย่างไรถึงจะทำให้รู้บทบริกรรมตลอดครับก็อย่าไปฟังซิ พ้ามองมันเวลาถ้าจะบริกรรมก็อย่าไปฟังเทศปิดเสียงเทศเสียการฟังเทศกับการบริกรรมนี่มันทําพร้อมกันไม่ได้อมันจะชนกันงั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเอาบริกรรมก็ไม่ต้องฟังเทศถ้าจะฟังเทศก็ไม่ต้องบริกรรมอการฟังเทศนี่ได้ประโยชน์ ต, ต่างจากการบริกรรมอการฟังเทศจะได้ปัญญาความรู้เอ การบริกรรมนี้จะได้ความสงบเอที่เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอย่างไหนตอนนั้นตอนที่ดอนนั่งเราจะนั่งเพื่อความสงบหรือเราจะต้องการนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาก็ต้องฟังเทศอย่างวันนี้นั่งฟังไปเวลาฟังก็อย่าไปบริกรรมพอบริกรรมมันก็จะฟังเทศไม่รู้เรื่องนี่ต้องเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออย่าจับปลาสองมื อ, อ, มอม อย่าเอาเอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นมาผสมกันมันจะไม่เย็นมันจะไม่ร้อนมันงนั้นวิธีนั่งก็ต้องถ้านั่งเพื่อความสงบก็เอาคำบาลกรรมอย่างเดียวถ้าอยากจะเกิดปัญญาเกิดศรัทธาก็นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปคำถามจากคุณรัตนอร น, นอนกรรมฐาน จะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งมาสอนทำบ้างบางทีก็ให้พูดตามค่ะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาพอเช้าจะจําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะบางทีก็จะเห็นแสงสว่างไล่ขอบเขตจะมีไหมเจ้าคะที่โยมเห็นภาพต่างๆตั้งแต่เล็กจะมีจริงไหมนั่งๆั่งก็เห็นภาพเหมือนนั่งดูทีวีเจ้าคะ่ะตอนเป็นเด็กบอกพ่อกับแม่ เขาก็ว่าโยมบ้าพอแต่งงานบอกสามีสามีก็ว่าเหมือนกัน ท, ทั้งทั้งที่โยมเห็นจริงๆโยมมีสติเห็นก็เห็นสิเห็นแล้วมันนามาทำประโยชน์ได้หรือไม่มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นการเห็นแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปนสนใจมันรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนี่เรามาแบกหา ม, มาตั้งแต่เด็ก กับไอ้สิ่งที่เราเห็นแทนที่จะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มาทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้กับไม่คิดเห็นอะไรก็มาดูเหมือนเห็นเงินก็เอามาคิดด้ว่าจะไปทำประโยชน์อย่างไรเห็นทองจะไปทำประโยชน์อย่างไรทำไมเห็นเงินเห็นทองรู้จักเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอเห็นภาพต่างๆใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็ถ้าใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็อย่าไปสนใจมันก็ปล่อยมันผ่านไปก็คิดว่ามันเหมือนกับฝันความฝันก็แล้วกัน ผ่านแล้วมันก็ผ่านไปสิ่งที่เราเห็นบางทีเราก็เอามาทำประโยชน์ได้เช่นถ้าเราเห็นเรานอนตายอย่างนี้ดีอันนี้เป็นมรณานุสติเป็นสัจธรรมเป็นปัญญาว่าต่อไปร่างกายเราจะต้องตายจะต้องนอนตายแบบนี้เอามาคิดอยู่บ่อยๆไม่ใช่แต่เห็นแล้วก็ลืมมันพอออกจากพอตื่นขึ้นมาก็ามาคิดต่อว่าเนี่ยต่อไปเราจะต้องตาย ขึ้นอย่างนี้แนละ้วมันจะทำให้เราปรงได้วางได้ถ้าเห็นแล้วไม่รู้จะมาทำอะไรก็อย่าไปสนใจมันสิ่งที่เห็นมันมีทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์คำถามจากคุณมะปรางอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะลืมเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเราได้ครับก็อย่าไปคิดถึงมันเลยถ้าคิดก็หยุดมัน พอมันคิดถึงเรื่องเร็วแล้วยก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปมันก็หยุดมันได้ต่อไปมันก็ไม่คิดพอคิดทีไรเราก็หยุดมันทุกทีเหมือนรถยนต์อ่ะพอมันไหลเราก็เหยียบเบรกนะเหยียบเบรกมันก็ไม่ไหลพอมันไหลเราก็เหยียบพอมันไม่ไหลเราก็ถอนเบรกได้คําถามจากคุณภาสเวกาบนรมาสการพระอาจารย์ครับเรามีความอยากลดลง เริ่มเบื่อทางโลกความอยากมีอยากได้น้อยลงแต่ยังติดตรงที่มีบุตรมีครอบครัวต้องดูแลบางครั้งก็อยากสลักทางโลกแล้วเข้าไปบวชแต่ก็ทำไม่ได้ควรแนะนำให้ทำอย่างไรดีครับ ก็หาคนมาเลี้ยงลูกต่อสิไปขายทางอี a y ก็ได้น้องประกาศนะมีลูกขายไม่เอาเงินเอาทองให้พีซีใครต้องการจะามาเอาลูกไปเป็นเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็มารับไปได้ก็ทำให้มันถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเนี่ยการที่เราจะาให้บอยจากลูกให้คนอื่น ผิดกฎหมายหอ่ไม่ผิดไม่ใา่นะใช่ไหมถ้าเราทําตรงไปตรงมาตามเหมือนกับสถานที่เขาไปมีการาให้คนไปขอเด็กมาเลี้ยง เ, เด็กกำพร้ามาเลี้ยง เ, เด็กของเราก็กำจะกาพ้าเพราะพ่อจะไปบวช <c oughs> พ่อก็เลยต้องหาที่อยู่ใหม่หาพ่อแม่ใหม่ให้ คำถามจากคุณสานิตกราบนมัสการเรียนถามครับในการที่จะนั่งสมาธิให้นานขึ้นปัจจุบันกระผมนั่งได้ประมาณสามสิบนาทีครับก็ต่อไปเวลาถึงสามสิบก็อย่าเพิ่งเลิกสิอย่าเพิ่งลุกนะก็ฮึดสู้ต่อไปพุทโธต่อไปต้องบังคับถ้านั่งเฉยๆมันจะนั่งไม่ได้ ตอนนั้นต no so ้องใช้คำบริกรรมเพราะดูลมมันก็ไม่อยากจะดูบริกรรมมันก็ไม่อยากจะบริกรรมแต่ต้องบังคับเอ้าพุทโธพุทโธต่อไปพุทโธหนึ่งเอาพุทโธสักร้อยหนึ่งก็แล้วกันพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามตั้งเป้าไว้พอครบร้อยก็เอาต่ออีกสักร้อยหนึ่งพุทโธหนึ่งพุทโธสองใหม่อ มันต้องมีอะไรสู้เหมือนนี้มันต้องมีอะไรให้มันทํามันถึงจะนั่งต่อไปได้หรือไม่เช่นนั้นทําให้พุทโธก็ถ้าท่องอาการสามิบสองเป็นก็เอาอาการสามสิบสองสักสักสิบครั้งร้อยครั้งก็ว่าไปผมขนเล็บวันหนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยนั่งท่องมันไปแค่นี้ยต่อไปมันก็นั่งยาวขึ้นไปได้อื คำถามจากคุณสุภฤกกราบเรียนถามครับเวลาผมนั่งสมาธิหลังจิตสงบไปได้แค่นิดเดียวจิตจะชอบคิดพิจารณาธรรมะไตรลักษณ์ในแง่ต่างๆแล้วพอคิดไปซักระยะจนได้ข้อคิดต่างๆจนจิตพอใจจิตก็จะกลับมารู้ลมหายใจใหม่จนจิตสงบขอเรียนถามครับว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่ครับ และควรปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรครับมันก็ปฏิบัติแบบจับใแบบทั้งเอาสมาธิด้วยปัญญาด้วยสลับกันไปก็เลยไม่รวมสถีสมาธิก็ไม่รวมปัญญาก็ไปค่ากิเลสไม่ได้ใช่ไหม แล้วไปละตันหาได้หรือเปล่าให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เพื่อที่จะให้จิตละตันหากรมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ถ้าเห็นปัญญามีปัญญาแล้วยังละไม่ได้ก็มีไปก็แสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไรนั่งไปก็ไม่สงบจิตก็ไม่มีความสุขกับความสงบอะไรไม่รู้จะนั่งไปทําอะไรคําถามจากคุณวัน กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับลักษณะอาการตัดขาดความอยากหรือความไม่อยากแบบไม่มีอีกแล้วไม่หลงเหลือในจิตเป็นอย่างไรครับก็เลิกเล่าดูสิเลิกบุเร็ดดูเลิก เ, ลกเที่ยวดูถ้าตัดขาดมันก็เคยเที่ยวเคยอยากเที่ยวมันก็ไม่เที่ยวแล้วต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่ไปต่อให้แจกตั๋วฟรีก็ไม่ไป ไม่มีความอยากเที่ยวมันก็รู้เองความอยากอะไรต่างๆพอมันไม่อยากมันก็รู้เองถ้ามันยังยังยึกยักยึกยักอยู่แสดงว่ามันยังอยากอ ย, กอยู่คำถามจากคุณโตนกกระผมนั่งภาวนา <c oughs> จนกระทั่งจิตวูบสงบ <c oughs> เบาเหมือนลอยอยู่ในอวกาศลมหายใจหยาบละเอียดหายไป พอรู้ลมหายใจหายก็ตกใจพังกรดขาดกระผมควรแก้ไขเช่นไรครับเป็นสองถึงสามครั้งแล้วครับก็รู้เฉยๆไปหายก็หายไปจิตไม่หายก็แล้วกันผู้รู้ไม่หายก็ไม่มีปัญหาอะไรคำถามจากคุณภริดาเวลานั่งสมาธิจำเป็นต้องผ่านวิตกวิจาร ปิติสุขตามขั้นอย่างนี้ทุกครั้งไหมคะหรือว่าสามารถกระโดดข้ามขั้นได้ตามความชํานาญก็แล้วแต่ไงถ้าชํานาญก็ไม่ต้องข้ามขั้นมันก็ยังขั้นอยู่มันก็มีขั้นต้องไปแต่มันไปเร็วไปเร็วไปช้าเริ่มต้นมันก็ต้องวิตกวิจารก่อนดูลมหายใจนี่ก็วิตกวิจารแล้วพุทโธพุทโธก็วิตกวิจารแล้ว นอกจากว่ามิจติสั่งให้หยุดคิดปุ๊บรวมได้เลยก็ไม่ต้องวิตกวิจาร์ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลมนั่งหลับตาปุ๊บก็เข้าไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ก็ใช้ได้คำถามจากคุณเชอรี่เรียนถามท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดต่อไปท่านเป็นอมพุกอมภพาด ช่วยตัวเองไม่ได้ท่านไม่ต้องการรักษาและไม่ต้องการความช่วยเหลือในเมื่อกินข้าวเองทำอะไรเองไม่ได้ก็จะอดทนจนร่างกายทนไม่ได้ก็จะไปเองตามธรรมชาติการที่คุณแม่คิดเช่นนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะแล้วเราเป็นลูกควรทำตามความต้องการของท่านหรือควรให้การดูแลหาหมอ ถึงแม้จะขัดใจท่านแต่ก็ยังได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ฆ่าหรอกถ้าฆ่าก็ต้องเอามีดมาเชือกคอเลยมันอไม่้ก็เอาอะไรมาอุดจมูกมันแม่หายใจนี่ปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เพียงแต่ไม่เลี้ยงมันเท่านั้นเองก็เลี้ยงไม่ได้เราจะทํายังไงเมื่อมันไม่กินยาบางครั้งมันไม่กินยังไงเมื่อกินเองไม่ได้ก็ก็สมมุติไปอยู่ในป่าคนเดียวเจยทํำยังไง ไม่มีใครเลี้ยงหรือไปอยู่แบบไม่มีคนไม่มีญาติอย่างนี้ก็ต้องอยู่ไปตามสภาพของมันจนกว่ามันจะไม่อยู่ต่อไปนั่นเองอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการฆ่าเป็นการอยู่กับความเป็นจริงของร่างกายคาถามจากคุณธีรวัติกราบสอบถามพระอาจารย์ครับการฆ่าปลวกที่มากินไม้ที่เราต้องใช้ เป็นบาปหรือเปล่าครับถ้าบาปมีวิธีหลบเลี่ยงอย่างไรครับบาปนี่มันบาปเพราะทำไม่ฆ่าปลวกะวิธีหลบเลี่ยงก็คือมีคนที่ก็จะมารับทําแทนเราบางคนก็ยินดีจะทำออย่างนี้เราก็บอกเขาได้เช่นมีโฆษณาในหนังสือก็รับกําจัดตลวกอ ล้าก็โทรไปหาเขาแล้วถามเขาว่าคุณทำอะไรแล้วชมจัดปลกหรอที่บ้านมีปลวกจะทายังไงดีก็ถามจะอย่าไปสั่งเขาเอย่าไปบอกเขาให้ช่วยมาฆ่าปลวกให้หน่อยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ า, าที่บ้านมีปลกถ้าเขาอาสาสมัครมาอ้อนผมจัดการให้ อ, อย่างนี้ก็เขาก็เป็นคนยอมรับทำบาปแทนเราเอา้าวจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ว่าเขายัางยังต้องหาเรี่ยงชีพเขาด้วยวิธีทำบาปอยู่เขาก็ไม่รู้สึกอัเดือดร้อนอะไรกับการทำบาปของเขาอย่างพระก็เหมือนกันเนยบางทีปวดขึ้นอะไรก็ต้องบอกโยมโยมเขาก็จะมาช่วยกำจัดให้ <c oughs> พระ ท, ทำเองไม่ได้แต่สั่งก็ไม่ได้บอกโยมช่วยมากำจัดปวดให้หน่อยเนี่พูดไม่ได้แต่บบอกโยมได้ว่ามีปัญหาเกิดแล้วปวดขึ้นกุติแล้วทำไงดีวะ เดี๋ยวโยมฉลาดก็เดี๋ยวผมจัดการให้เออองเพราะเขาทําบาปอยู่ตลอดเวลาเขาเขาไปยิงเขาไปตกปลาเขาไปทำอะไรเขาอยู่ตลอดบ้านเขาเขาก็ข้าวเขาก็กำจัดปุ๋กของเขาอยู่ตลอดเวลาเราจะมาช่วยทํำทําบุญนั้นมันทําไม่ได้เขาเขาได้บุญด้วยเขาได้บุญนั้นได้บาปพร้อมๆกันเแล้วก็มาช่วยพระมาทอ คำถามจากคุณสุประวีกราบนมั ส, สการหลวงพ่อคะ่ะถ้าเราต้องทำอาชีพเลี้ยงปูขายแต่ใจของโยมไม่อยากทำจะทำอย่างไรดีเจ้าคะกลัวบาปมากๆค่ะก็เปลี่ยนอาชีพเนี่ก็ถ้าไม่อยากจะทำก็เปลี่ยนชีพไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกถ้าเรายอมตายซะอย่างอย่างมากก็ยอมตายยอมตายดียวกว่าทำบาป พอทำบาปแล้วยังต้องไปใช้บาปก็ต้องตายอยู่ดีเวลาตายแต่ตายแล้วต้องไปใช้บาปกับตายแบบไม่ใช้บาปยังไงจะดีกว่าคำถามจากคุณทูเคนกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลาที่เราทําบุญตัดบาตเราสามารถอุทิศบุญให้แก่พ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะ ไม่ได้หรอกแต่เอาอาหารที่เราใส่บาตรนี้แบ่งไปให้พ่อได้ให้พ่อให้แม่ได้เลยเอพ่อแม่กินพ่อแม่ต้องการอาหารมากกว่าต้องการบุญะที่เราส่งบุญไปให้เพราะพวกที่เขาตายไปเขากินอาหารไม่ได้เขาต้องอาศัยบุญเราก็เลยต้องส่งบุญไปแต่คนยังกินอาหารได้ก็เอาอาหารไปให้เขาเพราะบุญนี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึง่งคำถามจากคุณวรวรรณ นั่งสมาธิจ น, จนจิตลงแล้วจะนั่งยังไงต่อให้จิตลงอยู่ได้นานๆเจ้าคะเหมือนจะอยู่ได้แป๊บเดียวตอนนี้ใช้วิธีดูลมหายใจคะ่ะก็ดูลมใหม่ทำใหม่ทำไปเรื่อยๆถ้ามันได้แป๊บเดียวก็แสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยออกมาจากสมาธิก็ต้องมาเสริมสติกัน มาฝึกสติมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดกันไม่ใช่หยุดแต่เฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวต้องหยุดมันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็หยุดมันด้วยพุดโธก็ได้หยุดมันด้วยการดูร่างกายก็ได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้อย่าปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดเท่าที่จําเป็นคิดกับเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดถ้าเรื่องที่ไม่ต้องคิดก็อย่าให้มันคิดนะ คำถามจากคุณพิทักษ์กราบนมัส ก, การครับพระอาจารย์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิมาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นกว่าเดิมในการใช้ชีวิตประจําวันความอยากที่เคยมีก็สามารถใช้สติเตือนให้เบาบางลงไปกว่าเดิมมากครับใจเย็นกว่าเดิมมากจนบางครั้งใจสามารถวางเฉย กับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกับจิตใจในเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจสิ่งนี้เป็นผลมาจากการเจริญสติของเราใช่ไหมครับทั้งสติทั้งปัญญาสองตัวนี้แหละเป็นที่จะทำให้ใจเราวางเฉยปล่อยวางไม่มีอาการไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆได้หมดแล้วเหรอคาถามหมดครับ สติปัญญาสติจะทำให้ใจปล่อยวางได้ชั่วล่าวปัญญาจะทำให้ใจปล่อยวางได้อย่างถาวรขั้นต้นก็ปล่อยวางด้วยสติก่อนด้วยการหยุดคิดถึงสิ่งที่เรามีอารมณ์ด้วยเวลาโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธไปอยากคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธอยากคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธ พอเราลืมปั๊บมันก็หายโกรธอย่างตอนนี้เราไม่โกรธใครแล้วใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อก่อนเราโกรธคนนั่นคนนี้เดี๋ยวพอกลับไปบ้านถ้าไปเจอคนที่ทำให้เราโกรธก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้ถ้าพราสติมันไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรถ้าจะทำให้หายอย่างถาวรเวลาเจอเขาก็จะไม่โกรธก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เ็าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเนี่ยเราต้องมองให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้เราจึงไม่ค่อยโกรธกับดินฟ้าอากาศใช่สั่งให้มันฝนตกพอสั่งให้มันให้มันหยุดมันไม่หยุดเราก็ไม่โกรธมันนะแต่ถ้าคนทำอะไรแล้วเราสั่งให้มันหยุดนี่มันไม่หยุดนี่เราโกรธนอะ เพราะเราไปเห็นว่าเป็นคนไม่ได้เห็นว่าเป็นดินฟ้าอากาศความจริงทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศเหมือนกันหมดเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไปะ เห็นได้เราพิจารณาเขาว่าเป็นดินฟ้าอากาศไปเป็นธาตุสีเป็นอนัตตาแนละ้วเราก็จะเฉยต่อไปเจอเขาก็เฉยเฉยไม่โกรธแต่ถ้าใช้สติมันยังโกรธได้อยู่เพราะสติเพียงแต่ไปยับยั้งความโกรธไม่ได้สอนว่าวิธีธที่จะทำํำแม่ก็โกรธเขาไม่ให้ทำอย่างไรปัญญาท่า น, นั้นถึงจะสอนใจให้สามารถทําให้เราเคยโกรธใครนี้ไม่โกรธเขาอีกต่อไปได้ มีมีมีนะครับคำถามจากคุณเชอรี่ต่อเนื่องจากคำถามเรื่องเลี้ยงการเลี้ยงปูของท่านก่อนหน้านี้ครับถ้าเราไม่ทำอาชีพเกี่ยวด้วยชีวิตสัตว์แต่เราก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้อีกด้วยด้วยข้อจำกัดบางประการเช่นสุขภาพความสามารถพอเราทำมาหากินไม่ได้แล้วยอมตาย แบบนี้ก็ไม่เป็นการฆ่าตัวตายหรือคะไม่ฆ่าแร้วก็เราไม่ได้เอามีดมาฟันมาแทงไม่ได้มาอุดจมูกแม่หายใจเราก็อยู่ไปตามอัตภาพของเรามันมีทางไปเราขอทานก็ยังอยู่ได้เลยเขาไม่มีอาชีพก็ไปนั่งขอทานก็ได้ไปล้างถ้วยล้างชามในวัดก็ได้ไปเก็บขยะก็ได้มันมีทางไปเยอะแยะ ไม่ใช่ต้องมาเลี้ยงปูอย่างเดียวนะยันทุกคนก็ต้องมาเลี้ยงปูกันหมดนะเนีออทําไมคนอื่นเขาทําอย่างอื่นได้ทําไมเขาไม่ต้องมาเลี้ยงปูเหมือนเราออมันไม่มีความจํากัดละมันเป็นความคิดของเราเองที่ไปกําจัดไปจํากัดตัวเราเองกับอาชีพนั้นอย่างเดียวมันมีอาชีพอื่นเยอะแยะไปเออหมดแล้วนะไปบวชเป็นแม่ชีก็ได้เอไปบวชเป็นพระกระดานนี่ก็เป็นอาชีพเหมือนกัน ถ้าไม่ไปเลยของดีแท้ก็ไม่ทำกันกลับไปชอบทำบาปกันแล้วก็มามาวิตกมาเครียดกับมันทำไมก็ไปบวชไม่ไม่ไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะทำอาชีพอือ่นก็ไม่บวชไปอยู่วัดตอนต้นก่อนจะบวชเขาก็ต้องไปทำตัวให้รู้จักให้วัดเขารู้จักเราก่อนถ้าเราทำตัวเป็นประโยชน์กับวัดเดี๋ยวเขาก็ขอลองให้เราอยู่เอง แต่ถ้าเราไปอยู่แล้วไปเป็นภาระ ก, กับวัดเขาก็ขอร้องให้เราไปเท่านั้นแหะถ้าจะไปกินไปนอนเดี๋ยวก็เชิญไป <c oughs> แต่ถ้าไปแล้วถึงเวลามีงานก็ช่วยเหลือกันทําอะไรกันคอยล้างทั่วให้เขาที่นี่เขาก็ให้เราอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมถ้ารักษาท่วมของวัดให้สะอาดได้ตลอดเวลานี่รับรองได้ว่าวัดเขาไม่อยากให้เราไปหรอกครับ <c oughs> <c oughs> คำถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการสวดมนต์ทุกวันจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่เจ้าคะ่ะก็ให้มีสติมากขึ้นไงการสวดมนต์เป็นการฝึกสติเมื่อมีสติก็จะควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นควบคุมความอยากได้มากขึ้นชีวิตดีในทางจิตใจไม่ใช่ดีทางนัํารวยบางคนจะคิดว่าสวดมนต์แล้วน่มรวยอ่ เงินทองไหลมาเทมากิจการก้าวหน้าไม่ใช่มันก้าวหน้าทางจิตใจจิตใจจะเย็นลงจะมีความวุ่นวายน้อยลงความโลภความโกรธความหลงจะเบาลงอันนี้คือผลจากการสวดมนต์สวดมากสวด น, น้อยก็ผลมากผลน้อยนะสวดเวลาครั้งมันก็ได้นิดหน่อยสวดเวลาหลายครั้งมันก็ได้มากขึ้นไม่ต้องสวดก็ได้พุโทโธคำเดียวง่ายกว่า เอามันทั้งวันเลยพุโทโธพุโทโธไปแนละ้วมันก็จะได้ผลมากจิตใจจะเย็นมากจะเบาจะสบายจะไม่วุ่นวายจะไม่เครียดกับใครคำถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะอฝึก ส, สติไปเถอดสวดมนต์ก็เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งแต่สวดมนต์บางทีเราไปติดกับรูปแบบจะสวดต้องนั่งต้องไปหาพระพุทธรูปนั่งหน้าต่อหน้าพระพุทธรูปแต่ถ้าสวดแบบทางปฏิบัตินี่เราสวดไปในใจได้เลย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องส้วมก็สวดได้ถ้าเราอย่าไปส่งเสียงออกเสียงก็แล้วกันเดี๋ยวชาวบ้านก็ได้ยินก็จะหาว่าเราบ้าหาว่าเราไม่มีความเคารพแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามการเจริญสตินี้ทําได้ทุกกรณีทุกแห่งทุกคนไม่มีถือว่าไม่มีความเคารพเพราะการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาอยู่แล้วการเจริญสตินี้เป็นการปฏิบัติบูบชาค ร, รัรบ ไม่มีรูปแบบถ้าเป็นแบบปฏิบัติในใจไม่ต้องมีรูปแบบถ้าเป็นปฏิบัติด้วยร่างกายมันต้องมีรูปแบบถ้าจะสวดมนต์เดี๋ยวต้องนั่งพรพเพียบต้องมีพระพุทธ ร, รูปมาให้นั่งไหว้นั่งสวดเนี่ยอย่างนี้มันดการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกับการทำตามรูปแบบทำตามรูปแบบนี่เป็นการเริ่มต้นเป็นการฝึกซ้อมฝึกสอนให้รู้จักวิธีสวด พอสวดได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ไม่ต้องไปนั่งพระเพียบทำอะไรก็ถ้าไม่ต้องถ้าคิดมากก็สวมดมนไปหยุดความคิดไปคำถามจากคุณฟูการที่ผิดศีลข้อ3ามคือเสพการรมโดยไม่ได้แต่งงานกันก่อนนั้นแสดงว่าคนมีแฟนแล้ว ได้กันก็ผิดศีลคนไปใช้บริการทางเพศก็ผิดศีลใช่ไหมครับใช่ก็เป็นเดลราชานไงเป็นเหมือนหมาเดินก้าวนะสุนักเดินก้าวเขาก็ไม่มีงานแต่งงานเขาไม่มีผัวไม่มีเมียเขาเจอใครแย่งกันไดใช่หไหมถึงเป็นถึงแม้จะเป็นคู่ของตัวนั้นถ้าตัวนี้ใหญ่กว่าอยากได้ก็แย่งเอามาได้อันนี้ก็เป็นนิสัยของเดลราชานการประพฤติผิดศีลเปร เพื่อพระพุทธผิดประเวณีก็ประเพณีของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ดาวนี้เคารพในสิทธิของกันและกันใครมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเป็นของเขาก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันไม่ไปรบกวนกันแต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่เคารพสิทธิ์กันเขาเอาความอยากเป็นที่ตั้งแล้วเอาความใหญ่เป็นที่ตั้งใครใหญ่กว่าก็เอาไปใครเล็กกว่าก็ต้องทำใจ <laughs> คำถามจากคุณวาสุพนการอยู่กับปัจจุบันได้แต่การทําอานาปานสติยังทําไม่ได้ควรทําอย่างไรต่อคะอะถ้าอยู่ปัจจุบันได้มันก็ต้องอยู่กับลมได้นี่ยออยู่ปัจจุบันก็คือไม่ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วก็กําลังหายใจก็ดูลมไปนี้ ก็เป็นก็ก็เป็นการอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรืออาจจะเข้าใจผิดก็ได้เข้าใจเขาว่าอยู่ปัจจุบันว่าอย่างไรคําถามจากคุณสุภฤกนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจากที่ถามไปเมื่อก่อนหน้านี้เพื่อไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบจับฉายแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรครับ ควรนั่งภาวนาจนจิตสงบดิ่งได้ฌานก่อนพอถอนจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณาไตรลักษณ์ใช่ไหมครับใช่เอาจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณาไตรลักษณ์พิจาราได้สองรูปแบบถ้าเกิดความอยากก็หยุดมันเลยหยุดด้วยปัญญาเลยพ อ, อจากสมาธิมายังอยากจะสู่บุหรี่ ก็หยุดมันได้ใช้ปัญญาหยุดมันว่าสุผลีมันเป็นทุกข์นะมากกว่าเป็นสุขนะ อย่างนี้ก็ใช้ปัญญาได้ถ้ายังไม่มีตัณหาความอยากขึ้นมาก็พิจารณาเผื่อไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อนเรายัางอยากกับเรื่องอะไรอยู่เราก็มาพิจารณาเรื่องนั้นยังอยากมีแฟนอยู่ก็มาพิจารณาเรื่องแฟนว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าสุขน ะ, ะทํานองนี้ต้องทําตอนที่เราออกจากสมาธิมามันจะได้ไม่ชนกันไม่ปนกันเดี๋ยวร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็น งเอามันให้เป็นรูปแบบของมันนั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมจะได้มีอุเบกขาพอจากสมาธิก็ใช้ปัญญาสอนใจแล้วเอาอุเบกขามาใช้กับความอยากสู้กับความอยากได้ต้องทำแบบนี้มีอะไรอีกไหมคำถามหมดแล้วครับอโอเคเวลาก็หมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา